บทที่48มัญญาชาวพุทธวันที่2ี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517รรัฐมนตรีและคุณหญิงพร้อมด้วยญาติมิตรและผู้ติดตามได้เดินทางจากกรุงเทพมาทำบุญถวายพัะทหารเพลนแด่พระสงฆ์ที่วัดป่ามะม่วง พรพส่งเจริญพระพุทธมนต์จบลงมคนายก็นำกล่าวถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทานตามลําดับพระสงฆ์ชันพัฒหารที่เจ้าภาพช่วยกันประเคนท่านพระครูเพียงแต่นั่งพิจารณาอาหารเหมือนเช่นเคยท่านเคยชินซะแล้วกับการฉันเช้าเพียงมื้อเดียวบังเอิญเจ้าภาพลุกออกไปเดินชมวัดหลังจากประเคนพัทหารแล้ว จึงไม่มีผู้ใดมานั่งขยันขยอให้ท่านฉันเช่นทุกครั้งที่มีผู้มาถวายเพนกระทั่งพระฉันเสร็จรัฐมนตรีและคุณหญิงก็ยังไม่กลับเข้ามาญาติมิตรผู้ติดตามต้องช่วยกันประเคนจตุปัจจัยทยธรรมหลังจากนั้นพระสงฆ์ยาถาสับพีโดยที่เจ้าภาพไม่ได้กรวดน้ำและรับพรเพราะมวไปเดินชมวัดกันเพลิน ส่วนพวกที่ยังอยู่บนสัลาก็พากันนั่งประนมมือคุยการประจ๊อประแจอย่างคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกตำหนิในใจว่าไม่ได้เรื่องพอๆกันทั้งผู้นำและผู้ตามแล้วก็เลยคิดไปถึงคนส่วนใหญ่ในสังคมยุคนี้ว่าต่างพากันเหินห่างศาสนาออกไปทุกทีแต่จะว่าคระหืดข้างเดียวก็ไม่ถูกนะัก เพราะพระสองฆ์องค์เจ้าเองก็มีส่วนทำให้คนไม่เลื่อมสายศรัทธาเท่าที่ควรส่วนคนที่มีศรัทธาประสาทะซึ่งพอจะหลงเหลืออยู่บ้างก็กลับขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเช่นรัฐมนตรีและคุณหญิงคู่นี้ที่อุตส่าห์ดันด้นมาทำบุญแต่กลับไม่ได้บุญเพราะมัวไปเดินชมนกชมไม้กันเสียท่านพระครูตัดสินใจแล้วว่าท่านจะต้องผ่าตัด คนเป็นรัฐมนตรีด้วยการฝึกให้เขาได้รู้จักกับสิ่งที่ถูกต้องใชบ้างไม่แช่รู้แต่สิ่งที่ถูกใจเท่านั้นบุคคลทั้งสองกลับมานั่งในศาลาอีกครั้งเมื่อพระให้พรจบพอดีทรงรูปอื่นๆก็กราบพระพุทธ ร, รูปแล้วก็ลุกออกไปคงเหลือแต่ท่านพระครูรูปเดียวขอเชิญรับประทานอาหารกันก่อน ประเดี๋ยวอาตมาจะเทศนอกธรรมาทให้ฟังท่านเชื้อเชิญพวกเขาเพราะคนที่จะฟังเทศรู้เรื่องดีนั้นต้องให้ท้องอิ่มเสียก่อนวันนี้หลวงพ่อไม่มีธุระไปไหนเหรอครับรัฐมนตรีถามบ่ายสองอาตมาจะต้องไปงานเผาศพคนรู้จักท่านตอบที่ไหนครับหลวงพ่อที่จังหวัดแต่ยังไม่รู้เลยว่าวัดไหน คงต้องไปที่บ้านเขาก่อนตอนแรกเห็นว่าจะเอาศพมาไว้ที่วัดนี้แล้วยังไงถึงเปลี่ยนใจเสกไม่ทราบท่านหมายถึงศพของเจนวลีเขาไม่ได้เรียนให้หลวงพ่อทราบหรอครับรัฐมนตรีนึกตำหนิเจ้าภาพเขาคงยุ่งกระมังพอดีอาตมาไม่เด้สนิทกับเจ้าภาพเขาเท่าไรแต่กับคนตายคุ้นเคยกันก็เลยต้องไปเผาเขาหน่อย ท่านตอบเป็นกลางกลางเมื่อคณะของรัฐมนตรีรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเริ่มต้นเทศกับข้าววัดป่ามะม่วงรสชาติเป็นอย่างไรบ้างพอจะทานกันได้หรือเปล่าท่านอารัมพบทอาหารขาวหวานมือนี้ก็เป็นฝีมือของแม่ครัววัดป่ามะม่วงเจ้าภาพเพียงแต่เอาเงินมาจ่าย ตามราคาที่ซื้อของมาซึ่งคนจ่ายกับข้าวเขาจะจดรายการมาให้อย่างละเอียดว่าได้จ่ายอะไรไปบ้างส่วนปัจจัยทยยรรมเจ้าภาพเตรียมมาเองอร่อยมากค่ะหลวงพ่อคุณหญิงตอบเธอก็นึกไม่ถึงว่าอาหารวัดบ้านนอกจะอร็จอร่อยถึงปานนี้จะว่าเป็นเพราะกำลังหิวก็ไม่ใช่เพราะอาหารบางอย่าง ต่อให้หิวอย่างไรก็ยังรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอยู่นั่นเองถ้าอย่างนั้นก็มาทานบ่อยๆนะใครทานข้าววัดนี้แล้วรวยทุกคนบรรดาคณะผู้ติดตามพากันหัวเราะคิกคักด้วยรู้สึกขำอ้าวอย่าหัวเราะนะนี่อาตมาพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นใครมาทานข้าววัดนี้กลับไปรวยทุกคนคุณหญิงซึ่งรวยอยู่แล้ว แต่อยากรวยให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้จึงว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันเห็นจะต้องมาถวายเพนอีกแล้วล่ะค่ะภรรยาหมายเลขหนึ่งของรัฐมนตรีคิดลงทุนเพื่อหวังกำไรไม่ต้องมาถวายเพนก็ได้ถ้าอยากจะทานอาหารวัดป่ามะม่วงก็เชิญได้ทุกเวลาอาตมาสั่งพวกแมกครัวเข้าไ ว, ว่าให้ทำสุดฝีมือทุกวัน กับข้าววัดนี้ก็เลยอร่อยทุกวันคุณหญิงอยากรู้เคล็ดลับไหมในการทำอาหารอร่อยนะ่ะอาตมาจะบอกให้อยากคะ่ะคุณหญิงตอบบรรดาผู้ติดตามเป็นสตรีก็พากันอยากรู้ท่านพระครูจึงบอกเคล็ดลับว่าการจะทำอาหารให้อร่อยจะต้องตั้งสติให้ดีทาใจให้ปลอดโปร่ง ถ้าใจดีสัอย่างเดียวอะไรๆก็ดีหมดการทำกับข้าวก็อร่อยโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสชื่ออะไรนะเขาเรียกว่าโ no no นโนโตโตน่ะอายินโนโมโตค่ะคุณหญิงบอกชื่อผงชูรสยี่ห้อหนึ่งที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่นแต่ชาวญี่ปุ่นเขาไม่นิยมใช้กันนั่นแหละนั่นแหละวัดนี้ไม่ต้องใช้โตท่วานั่น ใช้แต่โต๊ะสำหรับกินข้าวคนฟังพากลนหวเราะชอบใจที่ท่านมีอารมณ์ขันท่านรัฐมนตรีเคยผ่าตัดหรือเปล่าเห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มายกันทั่วหน้าแล้วท่านจึงเริ่มเรื่องไม่เคยครับหลวงพ่อรัฐมนตรีรู้สึกแปลกใจ ว่าเหตุใดท่าจึงถามอย่างนี้หรือว่าเขามีเคราะห์แล้วอยากไหมอยากให้หมอผ่าตัดไหมไม่อยากครับผมตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าอย่าให้เจอะเจอเป็นอันขาดผมกลัวครับงั้นหรือแต่ถ้าสมมตินะสมมุติว่าท่านจะต้องถูกผ่าตัดถ้าท่านไม่ผ่าตัดต้องเสียชีวิตท่านจะเลือกเอาอย่างไหน ก็คงเลือกผ่าตัดล่ะครับถ้ามันไม่มีทางอื่นที่ดีกว่าให้เลือกเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นอาตมาจะสมมติต่อนะสมมติว่าอาตมาเป็นหมอท่านเป็นคนไข้อาการหนักต้องผ่าตัดจึงจะหายมิฉะนั้นก็ต้องเสียชีวิตท่านจะยอมให้อาตมาผ่าตัดหรือเปล่ายอมครับรัฐมนตรีตอบหากใจแอบคิดว่า หลวงพ่อจะมาไม้ไหนกันเนาะนี่ยังไงยังไงก็คงไม่บอกคุณหญิงต่อหน้าเราเรื่องที่เรามีอินูหรอกนะเพราะมันไม่แชวเรื่องของพระของเจ้าไม่ต้องกลัวอาตมาไม่พูดเรื่องที่ท่านกาลังคิดอยู่หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของท่านคนเดียวแต่เรื่องที่อาตมาจะพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับคนอื่นๆด้วยท่านสบายใจได้ เจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงพูดอย่างอย่างรู้ความคิดของอีกฝ่ายถ้าอย่างนั้นกระผมนิมนต์ท่านลงมือได้เลยครับรัฐมนตรีพูดอย่างรู้สึกโล่งใจท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าเจริญพรท่านรัฐมนตรีคุณหญิงและญาติโยมทุกท่านที่นั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้อาตมาทราบซึงใจยิ่งนักที่ท่านรัฐมนตรี และคณะมีจิตศรัทธาพากันมาถวายพัะทหารเพนแดพระภิกษุสมเนรแห่งวัดป่ามะม่วงแห่งนี้นับว่าทุกท่านมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลน่าสรรเสริญแต่ก็น่าเสียดายที่พวกท่านอุตส่าห์มาทำบุญแต่กลับไม่ได้บุญทำไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะครับรัฐมนตรีถามอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ท่านทั้งหลายต้องถามตัวเองไม่ใช่ถามอาตมาผู้ติดตามคนหนึ่งอยากทราบเหตุผลจึงพูดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมเป็นข้าราชการจึงรู้แต่เรื่องราชการงานเมืองส่วนเรื่องบุญกุศลไม่ค่อยจะรู้ซักเท่าไหร่จึงขออารัธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำสั่งสอนกระผมและพวกพ้องด้วยเถิครับ ท่านพระครูนึกในใจว่าเอคนนี้พูดเข้าทีท่าทางคงไปได้ไกลและจึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่าการทำบุญที่ไม่ได้บุญก็คือการทำบุญที่ไม่รู้จักตัวเจตนาหรือที่เรียกว่าทำบุญเอาหน้าศัากแต่ว่ามีศรัทธาแต่ไม่รู้ความเข้าใจที่แท้จริงเจตนาก็คือความตั้งใจบําเพ็ญบุญ ซึ่งต้องกระทำให้ครบถ้วนกระบวนการยกตัวอย่างการทำบุญทิพานเมื่อครู่นี้อาตมามองเห็นแล้วว่าท่านทั้งหลายมีแต่ศรัท ธ, ธาเท่านั้นถ้าว่าไม่มีความตั้งใจบาเพ็ญบุญต้องขอตาหนิกันตรงๆอย่างนี้แหละท่านรัฐมนตรีจะโกรธก็ตามใจอาตมาพูดด้วยความหวังดีผมไม่โกรธหลวงพ่อหรอกครับรัฐมนตรีพูดออกตัว ไม่โกรธหากไม่พอใจเพราะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรียังไม่เคยมีผูดด้ใดกล้าตำหนิเช่นนี้มีแต่เข้ายกย่องสรรเสริญแต่ถึงจะโกรธอาตมาก็ไม่ว่ารกนะยอมให้โกรธเพราะสิ่งที่อาตมาพูดนี้จะไปเป็นประโยชน์ต่อท่านในภายภาคหน้าท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งและจึงพูดต่อว่า การที่ท่านกับคุณหญิงออกไปเดินเล่นทั้งที่พิธีกรรมยังไม่เสร็จสิ้นนั้นนับว่าท่านเสียประโยชน์อย่างมหาศาลท่านทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยกันถวายปัจจัยทยธรรมแทนที่จะประเคนเองในฐานะเป็นเจ้าภาพและเมื่อพระสงฆ์ยะถาสับปีท่านจึงไม่ได้กรวดน้ำและรับพรที่ถูกท่านจะต้องอยู่ เมื่อพระว่ายาัก้าท่านต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้เปตชนหรือพวกเปรตที่เขาพากันมาคอยรับส่วนบุญเปรตมีจริงหรอครับผู้ติดตามคนนึงถามขึ้นมีสิโยมคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะก็จะไปเกิดเป็นเปรตแล้วคนสมัยนี้ก็ไปเกิดเป็นเปรตกันมากอย่าว่าแต่คนเลยพระเองก็เถอะ อาตมาเห็นไปเกิดเป็นเปรตอยู่หลายรูปแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวรุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพวกญาติญาติของพระองค์ก็ไปเกิดเป็นเปรตก็พากันมาขอส่วนบุญหรอคะแม้ที่ฉันคิดว่าตัวพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นเปรตซะอีกคุณหญิงพูดขึ้นจำได้คลับคลายครับคลา ว, ว่า พระรูปหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้พระองค์ไม่เกิดเป็นเปรตหรอกคุณญิงตอนที่พระองค์สวรรคตทรงได้โสดาปติผลแล้วคนเป็นพระโสดาบันจะตัดอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอย่างแน่นอนและเพราะเปรตมีจริงเวลาทำบุญเราจึงต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาอัตมามักสอนญาติโยมเสมอๆว่า ยัดถาให้ผีสัพพีให้คนเพราะเมื่ออุทิศให้พวกเปตชนเสร็จพระท่านก็จะให้พรคนด้วยการขึ้นว่าสัพพีติโยวิวัตชันตุเมื่อพระว่าดังนี้เราก็ต้องประนมมือขึ้นรับพรจากพระบางคนพระขึ้นสัพพีแล้วยังกรวดน้ำอยู่เลยทำอย่างนี้ถือว่าไม่ถูก คนที่รู้ก็จะตำหนิติดเตียนเอาได้อาตมาเคยเห็นบ่อยโดยเฉพาะพวกคนใหญ่คนโตทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยครับรัฐมนตรียอน ร, รับอย่างหน้าชื่นตาบานเพิ่งรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนก็นี่แหละอาตมาตั้งใจจะบอกท่านอยู่นี่คราวหน้าคราวหลังจะได้ทำได้ถูกต้องพวกญาติโยมก็เหมือนกันท่านว่าบรรดามิตรและคณะผู้ติดตาม เวลาที่พระให้พรแทนที่จะตั้งใจรับพรกลับนั่งคุยกันเสียงอึงคนึงแข่งกับเสียงพระสวดแล้วย่างงี้จะไปได้บุญอย่างไรจริงไหมท่านถามสตรีผู้หนึ่งจริงค่ะสตรีผู้นั้นตอบอย่างสำนึกผิดหลอนคิดว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ทำเช่นนั้นอีกนี่ถ้าหากท่านไม่บอกหลอนก็คงไม่รู้จึงนึกขอบคุณท่านอยู่ในใจ คิดว่าจะต้องนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสอนลูกสอนหลานให้รู้บ้างโยมเชื่อไม่ว่าคนที่ทำบุญเป็นล้านๆแต่พอตายไปกลับไปตกนรกแบบนี้ก็ทำดีได้ชั่วนาสิ้าหลวงพ่อคุณหญิงขัดขึ้นไม่ใช่หรอกคุณหญิง ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอันนี้เป็นสัจธรรมคนทำบุญเป็นล้านๆไม่เรียกว่าทำดีหรอคะหลวงพ่อแม้ที่ฉันชักงงแล้วล่ะคะ่ะหลวงพ่อกรุณาอธิบายด้วยเถอคะค่ะอัตมากำลังจะอธิบายอยู่พอดีญาติโยมทั้งหลายการที่เราทำบุญไม่ได้บุญนั้นเป็นเพราะเราขาดเจตนาคือไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริง สักแต่ ว, ว่าทำตามๆคนอื่นเขาที่เรียกว่าทําบุญเอาหน้าบางคนบริจาคเป็นล้านแต่ได้บุญน้อยกว่าคนบริจาคสิบบาทเพราะคนหลังเขาเจตนาแรงกว่าตัวเจตนาที่สาคัญที่สุดนะโยมเจตนาก็คือใจพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าเจตนาหรือใจนั่นนะ่ะเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการกระทํากรรม ดังมีพุทธพจน์รับรองว่าทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสาเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทสะปะุถุสร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามทุกข์ก็ย่อมตามบุคคลนั้นเพราะวัตทุจริตสามอย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนนั้นถ้าบุคคลมีใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามสุขย่อมตามบุคคลนั้นเพราะสุดจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติตามไปฉะนั้นญาติโยมเห็นแล้วใช่ไหมว่าเจตนาหรือใจนั่นน่ะมันสําคัญมากคนทําบุญเป็นล้านแล้วตายไปตกนรกก็เพราะขาดเจตนาในการบําเพ็ญบุญและตัวเขาก็ยังประกอบด้วยทุจริตสามอย่าง นายโยมผู้ชายลองบอกอาตมาสักคนหนึ่งสิว่าทุจริตสามอย่างมีอะไรบ้างท่านไม่ถามรัฐมนตรีตรงๆเพราะรู้ว่าฝ่ายนั้นตอบไม่ได้บรรดาโยมผู้ชายที่นั่งอยู่ณที่นั้นพากันปิดปากเงียบท่านจึงถามโยมผู้หญิงหากก็ไม่มีผู้ใดตอบได้อีกเช่นกันท่านจึงตอบเสเองว่าทุจริตสามอย่าง ก็คือกายทุตจริตวาจีทุจริตแล้วก็มโนโทุจริตถ้าใครมีทุจริตสามอย่างนี้ต่อให้ทําบุญอีกร้อยล้านก็ไปตกนรกหมายความว่าการทําทานที่ปราศจากศีลไม่ได้บุญใช่ไหมครับรัฐมนตรีเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาบ้างถูกแล้วถ้าเรามีเงินมากทาทานเป็นล้านๆแต่ไม่มีศีลสักข้อดเดียวทานที่ทำนั้นก็เป็นมน ไม่ได้บุญแล้วก็ยังต้องไปตกนรกอีกสมมุติว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งบริจาคทานทุกวันวันละห ล, ลายหมื่นแต่เขาก็ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการผูดปดแล้วก็ดื่มสุราเมรไรแบบนี้เขาตายไปต้องตกนรกบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในศาลาพากันสะดุ้งสะเทือนเมื่อท่านพูดถึงศีลต่างสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าขาดไปกี่ข้อ คนที่มีจิตใจ ย, ยุติธรรมสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องยอมรับว่าตัวเขานั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวคนเป็นรัฐมนตรีก็สะดุ้งกับข้อประพฤติผิดในกามมากที่สุดท่านพระครูเทศต่ออีกว่าศีลก็เป็นเจตนาเหมือนกันคือถ้าเรามีเจตนาว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเรามีศีลครบทั้งห้าข้อเราก็ได้บุญแล้วได้มากกว่าการบริจาคทานซช่ีกหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดแต่เขาไม่เคยบริจาคทานก็ได้บุญมากกว่าคนบริจาคทานแต่ไม่มีศีลใช่ไหมครับผู้ติดตามที่ท่านพระครูคิดว่าท่าทางจะไปได้ไกลถามขึ้นถูกแล้วแต่ถ้าจะให้บุญมากที่สุด ก็ต้องได้ครบทั้งทานศีลภาวนาที่เรียกว่าบุญกิยาวัตถุสามถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดภาวนาคืออะไรครับหลวงพ่อพูดถึงทานและศีลผมก็พอเข้าใจแต่ภาวนาผมไม่เข้าใจครับว่าคืออะไรรัฐมนตรีถามภาวนาก็คือการอบรมจิตเช่นการเจริญสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นอาตมาเรียกสั้นๆว่ากรรมฐานคำอธิบายของท่านพระครูทำให้คนเป็นรัฐมนตรีงงงงหนักขึ้นเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่เป็นนามธรร ม, มรู้จักแต่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นกรรมฐานคืออะไรครับหลวงพ่อเขาถามอีก ถ้าท่านรัฐมนตรียากรู้จักกรรมฐานก็ต้องมาอยู่กับอาตมาสักเจ็ดวันมาเข้ากรรมฐานแล้วท่านจะรู้เองว่ากรรมฐานคืออะไรทายแห่อาตมาอธิบายด้วยคำพูดท่านก็จะยิ่งสงสัยใหญ่ของอย่างนี้ต้องลงมือปฏิบัติถึงจะทราบซึ้งมาได้ไหมล่ะเจ็ดวันเท่านั้นคงไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อ งานยุ่งมากคงปลีกเวลามาไม่ได้เขาเอางานบางหน้าหากแท้จริงแล้วห่วงยายสาวน้อยหน้าอ่อนคนนั้นมากกว่ากําลังคลั่งคล้ายไหลหลงไม่อยากจากพรากหล่นไปแม้แต่ราตรีเดียวแต่ถ้าท่านตั้งใจจะมาจริงๆอาตมาว่าท่านมาได้แต่ก็เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกลางเนื้อชอบลางยาเรื่องอย่างนี้บังคับเกี่ยวเข็นกันไม่ได้ บางคนนะ่ะอัตมาเห็นว่าเขาต้องเสียชีวิตแต่ถ้ามาเข้ากรรมาฐานเขาก็มีทางรอดถึง8ปเอร์เซนกอชวนมาเข้าแต่เขาก็ไม่ยอมมาก็เลยต้องกลับบ้านเกาแล้วผมมีเคราะห์หรือเปล่าครับหลวงพ่อหากผมต้องเป็นอย่างนั้นบ้างผมก็จะปลีกเวลามาเข้ากรรมาฐานรัฐมนตรีพูดอย่างกลัวๆหากเขาตายลงไปในตอนนี้แม่หนูหน้าหวาน เนื้อนุ่มคนนั้นจะอยู่กับใครไม่มีหรอกท่านอย่าตกใจเอาไว้มีละอาตมาจะบอกให้รู้นะคุณหญิงนะท่านหันไปพยักพยยิด ก, กับคุณหญิงค่ะหลวงพ่อภรรยารัฐมนตรีเอออวยหลวงพ่อคะเทวดามีจริงไหมคะภรรยาของผู้ติดตามคนหนึ่งถามขึ้นถ้าอยากรู้ว่ามีจริงหรือไม่ วันหน้าต้องมาคุยกันใหม่คืนคุยวันนี้อาตมาคงไม่ได้ไปเผาศพหรอกเรื่องมันยาววันหน้ามาใหม่นะโยมนะค่ะหนูจะมาขอเข้ากรรมาฐานด้วยค่ะหล่อนพูดด้วยศรัท ธ, ธาที่เปลี่ยมลน้นไปวัดไหนๆก็ไม่เคยศรัท ธ, ธามากมายเหมือนมาวัดนี้รู้อย่างนี้น่าจะมาซสตั้งนานแล้วหล่อนนึกเสียดายอยู่ในใจ